ภาวาที่มันรู้เถอะมันไม่คิดอะไรลงไปแลสักแต่รู้สักแต่เห็นจริงๆอ่ะดังนั้นถึงจะเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมแต่กายในกายเวทนาในเวทนากับกายภายในกายภายนอกก็คนละอันกันนะกายในกายกับกายภายในกายภายนอกคนละตัวเลยกายในกายเนี่ย เรามีสติทํไม่เฉันใช้รูป้ปัจจุบันอยู่เราจะเห็นกายย่อยๆในกายใหญ่ๆอย่างในกายใหญ่ๆนี่ตัวเนี้ยอยู่สี่สิบปีห้าสิบปีมีกายใหญ่ๆอยู่เงี้ยแต่เราจะเห็นกายย่อยๆเช่นนี่โครงรูปกันน่ะรูปที่พยักหน้ารูปที่กระพริบตานี่ชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่รูปตัวเก่าแล้วเงี้เรียกว่าเห็นกายในกาย เห็นเวทนาในเวทนาอย่างเป็นต้นเมื่อยเห็นดีกรีของความเมื่อยไม่คงที่เลยในเวทนายังมีเวทนาย่อยๆซ้อนกันต่นเวทนาหนึ่งชิ้นหนึ่งเนี้ยประกอบด้วยเวทนาย่อยๆถี่ยิบเลยในกายหนึ่งก้อนเนี้ยประกอบด้วยกายย่อยๆถี่ยิบเลยเนี่ยเฝ้ารู้ตรงนี้ไปเฝ้ารู้ตรงนี้แจมแจ้งก็จะเห็นว่ากายภายในกายภายนอกกายนี้กายน้น ก็เหมือนกันเกิดดับทียิบเหมือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติท่านไม่ได้ไปปฏิบัติกายภายนอกท่าให้ดูที่กายในกายคล้านกันแต่ว่าพอดูกายในกายได้แล้วเนี่ยจะเห็นในกายภายในกายภายนอกกายที่หยาบ ก, กายที่ละเอียดเนี่ยไม่ใช่ตัวตนเหมือนเหมือนกัน งันไม่ใช่ไปดูผู้หญิงนะแล้วบอกว่าบอกเมียบอกจะเจริญสติเมียต้งไม่เชื่อหรอกอรอรท่านไม่ได้บอกว่าให้ไปดูอย่างนั้นท่านบอกว่ามันจะเห็นนะทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งหยาบทั้งละเอียดใช่ไหมมีหยาบละเอียดต่อยไม่ใช่ด้วนๆอยู่แค่ภายในภายนอก ทั้งอยาบทั้งละเอียดไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทิฏฐิและปัญหาและทิฏฐิก็ไม่อิงอาศัยในจิตไม่ไปหลงว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอย่างเวลาเราปฏิบัติเนยนำมาทมภายในนำมาทมภายนอกก็มีนะอย่างเวลาเราเรารู้อารมณ์เนี้ยรู้จิตใจของเราบางทีจิตวิ่งออกข้างนอกมีจิตส่งเข้าข้างใน บางคนไปคิดว่าจิตส่งออกนอกไม่ดีจิตส่งในดีไม่ดีเหมือนกันแหละหลงเหมือนกัน น, นั่นแหะหลงเหมือนกันแหละนะหรือบางคนบอกว่าหยาบไม่ดีละเอียดดีนะท่านก็ไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านบอกทั้งหยาบทั้งละเอียดไม่ใช่ตัวตนนี่แค่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเหมือนเหมือนกันง่ากายในกายกับกาย กายภายในกายภายนอกอลยนะี้ก็คนละานกันเวลาจเจริญสติเราก็ดูกายในกายไปดูเวทนาในเวทนาเวทนาย่อ ย, ยในเวทนาใหญ่ดูจิต ย, อย่อยในจิตใหญ่ๆคือแต่เดิมเราคิดว่านี่จิตของเรามีตัวเดียวเนี่ยดูไปก็เห็นจิตย่อยๆเยอะแยะเกิดดับเกิดดับ ตอนนี้มันไม่รู้ตัวมันคิดเอาโอ้ทนะาไมล่ะเวลารู้นเราเคลื่อนไม่ได้เหรอมันต้องเคลื่อนไปก็รู้ไปได้สินะมันจะตั้งมั่นอยู่หรือมันจะเคลื่อนไปก็ของถูกรู้เท่าๆกันง่ายแมนไงเพิ่งมา ยันหน่อยนะอาแมนส่งกันบ้านสิเป mm hmm. ็นไงบ้าง <c oughs> ไปบุญยาวาดมาไปหลายวันเลย คนเยอะไม่เห็น <c oughs> จริงๆคนในโลกเกิดมานั้นไม่เคยรู้สึกตัวเขาจะฝันฝันอยู่ทั้งวันฝันไปเรื่อยๆ ถ้าเราไปบอกว่าเขาไม่รู้สึกตัวเขาก็ต้องเถียงนะพอเรารู้สึกตัวเป็นแล้วจะรู้สึกว่าน่ากลัวชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนคนละเมออยู่พอรู้ตัวขึ้นมาได้นะโอ้สบายรู้สึกมั่นคงปลอดภัยขึ้น <c oughs> แบบนี้ก็เผลอนะ เกลอเป็นเที่ยวหามันเที่ยวสังเกตใจเราส่งออกไปผลหาที่โน้นที่นี้นี่ส่งออกนล้และที่เรารู้ทันได้ไวขึ้นไวขึ้นแต่เดิมเราต้องส่งไปสักพักหนึ่งแล้วไปเจอโน้อนอันนี้แล้วก็ไปดูเอาต่อมาเนี่ยพอจิตส่งออกเราก็เห็นนะจิตมันเกลอละส่งออกไปต้องเป็นความปรุงแต่งเหมือนกันเป็นภพชาติเหมือนกัน ถ้าเราชำน้ชำนานจำสภาวะทำได้แม่นเคลื่อนนิดหนึ่งล้วก็เห็นเพื่อนนิดหนึ่งก็เห็นก็ขาดเลยใ <laughs> ส่เขาเขานอก่อนนี้ก็รู้สึกว่าวต้องคิด ถ้ามันมีเหตุต้องคิดก็ต้องคิดแต่ว่าถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยเราชอบคิดทิ้งปเปล่าๆคิดเสียเวลาปเปล่าๆความสุขอีชนิดหนึ่งมีอยู่แต่เราไม่รู้จักมันความสุขที่พ้นจากความปรุงแต่งถ้าเรารู้ทันไหลไปปรุงแต่งรู้ทันปรุงแต่งรู้ทันไปเรื่อยช่วงหนึ่งเราจะคุ้นเคยกับภาวะที่ไม่ปรุงแต่งจะเห็นความสุข ต่างกันประนีต่างกันเนยอะอันหนึ่งเป็นความสุขที่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกต้องเจอคนที่ชอบต้งได้ยินเสียงที่ดีต้องคิดเรื่องดีๆอาศัยปัจจัยภายนอกอีกอันหนึ่งก็คือมันอิ่มอยู่ในตัวของมันเองจิตใจมันอิ่ม อย่าตั้งใจปฏิบัตินะรู้ไปเล่นๆรู้ไปถ้าตั้งใจปฏิบัติแล้วผิดเลยตั้งใจปฏิบัติก็จะเริ่มตั้งท่าเริ่มจ้องเริ่มสแสวงหาเริ่มสแกนเริค้นคนวา้าเพื่อทำเหมือนทำเล่นๆนงน่ายง่ายแ ต, ตมาปฏิบัติไม่ได้คิดว่าปฏิบัติคิดว่าจะเราจะรู้ทันจิตใจของเราไปเรื่อยๆ ได้แค่ไหนแค่นั้น